ใดทุกสิ่งทุกอย่างทำมาแล้วยังไม่ได้ทำทางจิตทางใจเท่านั้นพระองค์คอยดูจิตใจที่มันนึกคิดขึ้นมาท่านก็เลยรู้แต่ละทวนกระแสของขมคิดวม ค, คิดมันคือมันคิดไปร้อยอันพันเรื่องเราไม่รู้แต่ละวันลวันเนี่ยคนเรามันคิดนั่งกระคิดนอนกระคิดยืนกระคิดเดินกระคิด มันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วคนก็เลยไม่รู้คนคิดว่ามันคิดเรื่องอะไรมาจากที่ไหนไม่รู้ดังนั้นพระองค์จึงสอนให้เรากำหนดในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนทำยนนอย่างนั้นยังไม่พอยังย้าเขา อ, กาก อ, ยอยขีกว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถย้อยู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มีสติข้าไปกำหนดรู้ ท่าย้ำ ม, มานี่ยและพวกเราไม่ทำตามอย่างนี้ก็ไปทำตามอย่างอื่นหาว่าเราทำตามพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าสอนไม่เอาไม่ฟังเสียงเลยพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้พระองค์ได้ตัดกรุ๊เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดับทุกได้อย่างสิ้นเฟิงแล้วแบบนี้ปรากฏที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้ฟังว่าแต่ไปโกดเอาพวกเป็นเจ้าวิสังฆ ทีแรกว่าจะเป็นโตกเอาพวกอาจารย์阿 า, าดาบทอุทคารดาบทสองอาจารย์นี้เลียงานไปว่าสองคนหรือสองอาจารย์นี้ตายแล้ ว, วคำว่าตายเรื่อยตายหมดลมหายใจแล้วก็ไม่ทราบหรืว่าตายโดยมีทิฐิล้วก็ไม่ทราบพราะคนเราถ้ามีความรู้และมีทิฐิมากไม่เสื่อฟังคำอย่างที่เจ้าชายสิทธากุมารเนี่ยนะเคยเป็นลูกศิษย์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 พอดีนอนตื่นมาประมาณตีสามหรือตีส่เนี่ยคำนวณตีสามนี่นะทมเลยจะริส่สติแบกเคลื่อนไหวอย่างไหนยกมือไปเอามือมาโดนหน้าถอยหลังทาอย่างนั้นนะจริงลงลงจริงจริงเอามากระทาเอามาจริงจไม่ต้องไปไหนมาไหนต้องทำจะรู้อะไรไม่ทราบละเบียเนี่ยมีจุดไม่จุดเดียวคือขอให้ข้าพเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้า เห็นตามคำสอนขอพระเจ้าจริงๆถ้าพระเจ้ารู้อันใดเข้าใจอันใดขอให้ข้าพระเจ้ารู้อย่างนั้นอย่าพึ่งรู้อย่างอื่นตั้งใจว่าอย่างนี้แต่ควรจริงที่พระองค์สอนให้กำหนดในอิเียบทัท้งสี่คือ ย, ยืนเดินนั่งนอนและอิเลียบที่ย่อยผู้เหยียบเซ่นไว้ให้เรามากำหนดตัวอิเลียบนี้มันมีปัญญาปาระเป็นพร้อมปัญญาปาระมีมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่เสวนาทานแล้ว ร้อกัดพันคันสร้างสมอดรมมาแล้วดังนั้นยังมีอันนั้นเป็นการเข้าใจน้อยพระองค์มีควหมายให้เรามากำหนดในอิเนียบที่เองเมื่อกำหนดในอิเนียบดแล้วตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาคล้ายๆกับ อ, อันเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละคำกันเนั้นเองตัวสติเข้าไปรู้สมาธิก็คือความตั้งใจกำหนดลงไปปัญญามันรอบรู้ รอบรู้ในตัวเราเนี่เองตัวอิทธิเจ้าบทมันเป็นตัวทุกคนเรามันเป็นก้อนเนื้อสนิทหนู่มันทุกจริงๆริงทุกไปว่าคนไม่ไหวมันไม่ไหวคือมันคิปตา ม, มันหายใจมันนึกมันคิดเส้นเอ็นเรามันก็ยึกกระยักอยู่ตลอดเวลานี่ทุกตัวนี้เลยทุกขังทุกคนไม่ไหวอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้ หน้าตาบังคับบรรซาไม่ได้อันนี้เป็นเตือกมันเมื่อเข้าใจอันนี้มันจะมีความภูมิใจว่าเราเห็นเรารู้เราเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้องเยเข้าใจอย่างนี้ตัวข้าพเจ้าเองทีเรานี้ฟังความจริงเป็นอย่างนั้นแบบนี้เมื่อเมื่ออันนี้แล้วมันคิดคิดซึ่งคิดนั้นคิดนี่เลยลืมกลุ่มคิดแบบนี้เลยลืมตัวเราไปเข้าไนกลุ่มคิดแหละมันเลยเข้าไปอยู่ในกลุมคิด เมื่อเข้าไปอยู่ในตรงคิดมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่มีทางสิ้นจบเลยเลยไม่เห็นผลมคิดแบบนี้อันนี้มันเข้าใจอย่างนะพอดีตกเย็นมาไอเดินจมกรมตัวไม่เคดรู้กล ค, คิดตัวเองเลยไม่เคยเห็นจริงๆตัวของข้าพเจ้าไม่เคยรู้กลมคิดจริงๆรู้เรื่องนุ่ ง, ง, งนานรือแต่ว่ามันเป็นปัญญาสักนิดหนึ่งมันรู้แบบ น, นี้เดินไปเดินมาคล้ายๆจะมีคนผัก ตรงข้างนี้เองวูบหนนี่มีคนมาผลักดันเราที่ไหนมีอะไรมองไม่เห็นเลี้ยวไปที่ไหนก็ไม่เห็นก็เดินไปเดินจมกองก้อนยงนั่นแหละกลับไปกลับมามันคิดวูบขึ้นมาครั้งที่สองรู้แต่อย่างไม่เข้าใจพอดูมันคิดขึ้นมาวูบที่สามเนี่ยรู้จริงแล้วดินอ๋อที่ตรงนี้เองมันคิดทําเหมือนแมวกับหนูแบบเนี้ยหนูเนี่ยมันตัวโตโตแม่มันตัวเล็กๆ พอดีหนูออกมาแมวมันตัวเล็กกตะคุบหนูเพราะแมวกับหนูมันเป็นของศัตรูกันมันตรงกันข้ามตะคุบหนูหนูมันโตก็วิ่งไปแมวตัวนั่งก็ติดหนูไปเพราะกาลังมันไม่พอนานมามันเหนี่ยวกระวางหนูมันก็พ้นตายไปเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้ในขณะนั้นวันนั้นเนี้ยอ้าบัดดี้จะไปโทษหนูจะไปโทษแมวโทษไไม่ได้เอาเข้าให้แมวกินมากๆ พอดดแมวมันจึงข้าวขึ้นมาอ้วนๆตตวขึ้นมามีกำลังดีแล้วหนูกระโจนมาันหนูกระโจนกระโจนกระโจนนั่นะมันกระโดดลงมานั่นแหละกระโดดมาแมวมันเห็นมันตะคุดอย่างแรงเลยเนื่อมันะคุกอย่างแรงหนูมันกระดิกตัวไม่ได้เนื้อกระดิกตัวไม่ได้ก็เลยลือนหนูก็เลยไม่วิ่งเลยแมวกินหนูเลยไม่มีเลือดความจริงแมวมันจับหนูจับอย่างแรงมันตกใจ ไม่ก็เลยสะบั้นไปเลือดมันก็เลยไม่มีสายเลือดมันไม่วิ่งไปเลยเนี่ยเข้าใจอย่างนึงอันนี้แหละที่จะเลินสติเนี่ยจะเลิญมากๆอย่าไปคิดว่าทําไมยังไม่รู้ควมคิดรู้ไม่รู้ก็าตามมันจะเล่นมากๆก็เลยรู้สวามคิดตอนนีน้รู้ตอนนี้รู้สมมติฐานของความคิดต้นเหตุของความคิดต้นรูปอของความคิดแต่ตัวจริงมั่นคือพุทธศาสนานคือตัวชีวิตจิตใจที่สะอา สว่างสงบนั้นมันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นทีเดียวรับรองได้ทุกคนอยู่ที่ได้มีเหมือนกันถ้ารับรองไดท้ท่านเอาที่ไหนมาพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านนั่งอยู่ในนี่ดีโกรธไหมนัดรอว่าไม่มีใครโกรธถ้าโกรธเนี่ยโกรธลองดูที่โกรธขึ้นมาเนี่ยอาตมาจะเป็นคนดูเด็กเพื่อนที่สืดเสมอถ้าโกรธขึ้นมาก็อยเลยไม่มีใครโกรธเลยหลักษณะคนโกรธจุดทุก น, นั้นเรามีทุกคนเราลืมตัว ทรรันทำน่าดูโมหะพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนว่าอย่าเล่นตัวนะทั้งสอนอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจพูดกันได้แต่ไม่เข้าใจเท่ากันจิตใจสวยๆหรือชีวิตสวยๆจะเนี่ยรู้โ อ, อเคขามันมีแล้วในคนทุกคนไม่ยกเว้นมาสอนกันเรื่องนี้นี่เองเพราะทุกคนไม่ต้องการควทุกข์และไม่ต้องการคนทุกข์ก็พูกคนจริงสู่ขันทรง เมื่อพูดความจริงสู่คำสั่งแล้วคนก็เลยหาว่าโกสกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงคนคนนั้นไม่เข้าใจเท่านั้นเองเมื่อคนนั้นตั้งแต่สั่งจริงๆออหลักธระควรไม่โกรธไม่มีแล้วในคนทุกคนคิดเท่นี้ก็ได้ว่าไม่ผานนิ่ผานแต่ควมไม่โกรธนั่นแหละไม่ใช่ตายแล้วจึงเอาถ้าหากไม่ผ่านมีจริงๆตายแล้วก็ต้องไปไม่ผ่านจริงๆถ้าเราโกรธ ด, ดูเนี่ย ถ้ามันมีคนโกดอยู่เนี่ยตายแล้วครับไปมาโลกมันต้องไปในโลกจริงๆตกในลกเดี๋ยวนี้นะมันก็ต้องไปจริงๆติดใจระบันเน่าเตียกแสะมันเหนิมมันโกดขึ้นมาเนี่ยมันเนาเตียกแสะเหม็นอยู่ยิ่งกว่ากองอุจนะด้วยซ้ำไปแต่เราไม่เคยเห็นว่าเราเน่าเหม็นเตียกแสะนี่แหละเราคิดว่ามันดีโกดต้องเอาชะมึงไม่จักโกหรือเหน็บมันเข้าใจอย่างนั้นไห้เป็นผู้ใดจะไม่รู้จักว่าท่านเป็นยังไงตัวของข้าพรเจ้าเองจะเคยโกดเหมือนกัน มั่นเป็นยังไปพูดว่าอยามาใกล้นะดูหนึ่งเหมือนพอก้มมื อ, อนู้นท้อเสด็จห้อยมันพูดจะไม่เห็นคนเลยจะดูคนไม่เป็นค น, น้ะบัดเนี้ยนี่แหละจิตใจมันนอกเปียกแส จ, จิตใจสุนัขมันนี้บเนี้กอมึงเป็นหมาบักหมาอีหมาคือหมาเนี่ยตัวคนจริงคนที่พูดเนี่ยเป็นหมาคนที่นีงเป็นคนจิตใจเราเป็นหมาเป็นสุนัขจิตใจสุนัขปรากฏขึ้นมาแทนแล้วให่เข้าใจอย่างนั้น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 คิดเอาไว้ปรึกษากับเพื่อนว่ะเอาข่าวนี้ต้องสอนวิธีอุ ก, กจิตนั่งให้มีจังหวะนอนให้มีจังหวะยืนไปไหนมาไหนให้มีสติกับมึกรู้แล้วอุกกิตไม่ต้องพูดต้องคุยจะเป็นเวลาน้อยก็าตามเวลามากก็ตามถ้าเวลาเราน้อยไปพู ด, ไ ป, พดไปคุยไปหึกเลยไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะคนพูดคนคุยจะเหมืนเป็นมองคิดถัดจะกคำจะพูดมันเลยไม่ได้เห็นจิตเห็นใจ นี่พูดให้ฟังเนี่ยเร่องโทสะโมหะโลภไม่ต้องอดหรอกเพราะมันมันหายไปเองเห็นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเห็นสมุธฐานคนคิดนี่แล้วจริงๆเนาะพอดีมันคิดแยกคนมันพูดให้คนไม่พูดให้ตัวสติมันจะวิบเข้าไปหัน่นทันทีเลยมันจะไวขานาดนั้นเนี่ยความหลงผิดจึงไม่มีบาปมากที่สุดอยู่ที่ไหนเนคือควมหลงผิดความไม่รู้จริงนั่นแหละบาปมากที่สุด บุญมากที่สุดอยู่ที่ไหนคือขอ ม, มีสติขอมเห็นแจ้งขอมรู้จริงเรียกว่าวิปัสนาเรียกปัสนาที่วัด แ, แปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าื่องคำว่าเดิมต่างเก่าแล้วตั้เมื่ออายุสีสิบปีมาเนี่ยไม่พูดเหมือนเดิมถ้าพูดของจริงให้คนฟังจะเอาซีริสถวายไว้ทุกคนพ่อทุกคนไม่กลัวไม่กลัวถ้ารู้อย่างเนี้ไม่กลัวถ้าหากกลัวยุดนั่นไม่ใช่เป็นรู้ของจริงรู้ของไม่จริง ถ้ารู้ของจริงต้องยอมเพาเป็นการไถ้ถอนชีวิตของทุกคนทุกคนก็ อ, อยากรู้อันนี้ทานจากพัน้างก็ทานไปเถอะถ้าไม่เห็นอันนี้ะนระความโกรธความโลกควลงไม่หายไปเลยสมมุติให้ฟังอีกพักหนึ่งเราทำบนมา ก, มากๆตัวของข้าพเจ้าเองสร้างโบสถ์หลังหนึ่งพวกแต่งคาเขียนนี่คงจะรู้ประวัติของหลวงพ่อเนี่ยรู้ไม่ต้องไปเรียกอะไรใครทั้งหมดเลยเพราะมีมันพอใช้สร้างคนเดียวเลย นั่งโม้ขึ้นมาแล้วมันยังโกรธเต็มอยู่นี่มันยังโกรธคนนั้นคนนี้ได้เนี่ยมันเป็นอย่างไงโอ้เรื่องเล็กน้อยจะเราไปหาของมันมากเกินไปทานมันดีแล้วท่านเลิกละจากขมโกรธได้ดีแล้วทางร้อยล้านพันล้านยิ่งดีไม่คานกคดีแบบเนี้ยถ้ามันไม่โกรธแล้วมันดีแล้วคูดจริงว่าคือไม่โกรธนี่มันดีมันนี่มันเป็นเหล็กเหนียวนี่ท่าฟันไม่เข้าจริงๆอันเนี้ยแต่ว่า มันคนต้องเข้าเข้าจริงๆมันเป็นหลุดเหนียวมันสามารถยืนยันรับรองว่าภาคลดสอนอย่างนี้วิธีนี้มันเข้าใจอย่างนั้นนี่สมมติว่าเราปลูกบ้านหลังหนึ่งสวยๆสร้างมดิดเงินจักพันล้านก็ดีนอาขนกลัวเรืนไปนอนที่นั้นแบบนี้ได้จากสองวันสามวันอนุมันเสือเ่อมไปเทลงไปมีไม่คิดขั้นเดียว เอาไปจุดเป็นไฟแล้วไปแตกไฟมั่นมันเสือ่อมไฟไหมหมดเลยบ้านเราเมื่อไฟไหมบ้านของเราแล้วฝนตกเราตั่งอยู่ที่บ้านเราเนั่นแหละต่ไฟไหมแล้วมันเปลีวันนี้เมื่อแดดออกเข้ามาเราไปนั่งอยู่ท่ามันร้อนมันจึงพึ่งไม่ได้ควจรจิงและพระพุทสอนล่าตนเป็นที่พึ่งของตนท่านใครหนอจะพึ่งได้ตนเป็นที่พึ่งของตนน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่พึ่งตนเองแตแล้วตัแต่พึ่งถีแต่ตึ่เทวดาไปพึ่งใครที่ไหนไม่ทราบ ในเรื่องพึ่งตัวเองจึงไม่มีที่พึ่งคนนี้ไม่มีที่พึ่งก็โดนเสาะแ ส, ะสะแสวงหาที่พึ่งตกาไปมีอะไรเกาะไปติดไปท่านันเองบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้วันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันห้า้ยยี่สิบหกตรงกับวันขึ้นเก้าคำ่ำวันเสาร์เดือนสามกับต้นซีิีใหม่พวกเรา กลมาศึกษาต้นต่อของชีวิตของเราจริงๆอย่างนานไม่เกินสามปีรับรองถ้าหากว่าข้าพเจ้าพูดโกหกปให้ข้าพเจ้าตายเดี๋ยวนี้ก็ได้แซงตัวเองพราคนไม่จริงคนตืโอหุกคนหลอกลวงอย่าเป็นมนุษย์หลอกลวงมันไม่ดีอย่าเป็นมนุษย์หลอกลวงรับรองว่าไม่เกินสามปีจะถึงที่สุด ข, ของทุกห้าคนเก่งห้าคนไม่ตรงรับรองว่ะเรื่องโทสะโมหโมะโลภะ ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหายไปจางไปหายไปมันจะไม่มีทุกข์แค่ไม่มีทุกข์ก็พอแล้วอั น, นุขอให้กเราเข้าจัหวัดนิพพานคือควมสมปกติคือความสะอาดสว่างสงบจิตใจมันไม็จกุธีจิตใจบันสวยฐสวยฐสิริบรรเสรเสริฐไม่ทุกข์ไม่สุขในตัวนิพพานให้เข้าจังหวัดนิพพานคือไม่ทุกข์ไม่สุขจุ่งเหนือดีเหนือชั่วเหนือทุกข์เหนือสุข เราไม่เข้าใจที่ตรงนี้เมื่อมาสอนที่ตรงนี้คนก็เลยไม่ชอบไม่ชอบจริงๆอยากฟันมคขเอา้าเรื่องสันมุขมันคุกต้องตามมาแต่ว่าดีกว่ทุกแต่ขามันมีทุกสุกก็ต้องมาสุกมาทุกก็ต้องมามันตรงกันข้ามเราต้องไม่เอาทั้งทุกทุกก็ไม่เอาสุกก็ไม่เอาเนี่ยสบายใจอันนี้เรียกว่าผู้ขมจริงสู่ฟันฟังที่สุดของทุกนั้นเราต้องดูขมคิด จะสมมติให้ฟังนีดเคย <c oughs> เคยเปีเยกแค่ต่างเหมเือเสาเชือกมาผูดว่าเส้นเสาเนี่ยตัดตรงกลางปุ๊บพอได้ตัดแล้วมันดูเชือกไหนลอนมันเดไปคนละทางกันเลยดึงเข้ามาจู่กันมันจู่จเจ็บมัดตรงกลางมันไม่ติดแต่ว่าใช้งานไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นได้มันเป็นอย่างไงหรือจะเตี้ยอีกอย่างหนึ่งคือปิงที่มาเกาะเราเราไม่ต้องไปจับปิงเอาปูนกับยาไปผปสมน้ำดูดเอาน้ำยากับน้ำปูนราดนวดลงไป พอดีมันไหลลงไปที่ปากปิง ป, งปิงมันล่นคนเดียวมันเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงทลงวา่าพระพุทธเจ้าสอนจุดนี้จริงๆเคยได้ยินต่งเนี่ยว่ า, า, าพระองค์พระพุทธเจ้านี่ไปบนรถตัดผมครั้งเดียวผมพระองค์ไม่ยาวเลยอันนั้นเป็นคําพูดแต่เราไม่เข้าใจหลักนี้แหละเป็นหลักสําคัญที่สุดในคําสอนของพุทธศาสนานี้เรือคําสอนของเจ้าสายสิทธาปุมาา สองจุดนี้เรียกว่าเป็นคุดแทกคือทับย่อยอยู่ในจุดนี้เมื่อเราพบจุดนี้แล้วนั่นแหละคนใดรู้จุดดังกล่าวคนนั้นถึงที่สุดของทุกคือจะไม่ทุกต่อไปแล้วเรืงนี้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังในวันนี้จงจดจําและนําไปประพฤติปฏิบัติอาแตมามาอยู่ที่วัดสนามไหนไม่มีอะไรจะสนองตอบแทนทั้งหมดเลยนอกจากที่จะพูดคาจริงนี่แหละให้สั่งเท่านั้น ผู้ที่สูส่สมานุก็่าเช่นเดียวกันอยากคิดว่าจะสอนเรื่องนั้นไม่สอนจะสอนของจึงที่มันมีอยู่ในคนทุกคนนี่แหละจะพูดให้ฟังไม่ใช่สอ น, นะแนะนำวิธีปฏิบัติก็จะทำเอาเองถ้าอยากรู้ไม่อยากรู้ก็เป็นเรื่องของละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อได้พระสงฆ์แล้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าประธานที่นี่ อาตมาขออ้างอีเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสอนของเอิคสมเด็จพระกรมมาสัมพุเจ้าและคนของพระนันตาสาวกพระสมมาสัมพุทเจ้ามาตือนจิตสกิดใจของพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายจงหันเข้ามามองลงไปที่จิตที่ใจมัรนึกมันคิดให้รู้ให้เข้าใจอย่าเข้าไปเกาะในคนมคิดเมื่อเห็นคนมคิดแล้วมันจกขาดสู